พระธรรมเทศนาหมโหสดจดกจองปราถแห่งมิิราภูติสาวห้าฟังแล้วเกิดพยาปัญญาปางเฮฉลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับปืนเมืองโดยป่ออินสมชัยชุมพูปเปลี่ยนทำภูปรโยกนักรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายอะโม ตาสะภากวาโตอราหโตสมมาสัมพุทธัสสะมิเตหราชยะตวานากรวาสิโนอาณาเภสีติ สาธวดุราสปุริสาตั้งลายตั้งยิงใจหนุ่มเทาอันมาหนังเฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลีวาวิเตหราชยัตวาดังนี้เป็นตนบัดนี้เดเต้อ วิเตหาราชันวา่าพญาวิเตหาราชหูวาเจ้าน้อยนาดบุญไยน้ำรีปนลหลน้อยใหญ่มารอดไก่เวียงใจนินมิใจจุ่มจืนปีติตื่นสมมานัสาก็มีอาจยาป่งขาดเื อ, อามาเษธี กาบอดีปอก้าพ้อมทุนดาญิงใจมีหลวงลายจู่บอลออกไปรับตอนบัดเดียวเขาก็เร็วรี้าวตามอาทยาตา้าปงปันต่างปากันกาผากออกไปจากปุรีน้ำนอมูนีนดฏใหญ่ ตั้งไัยไตโยธ า, ามีนำนามวลหมูเข้ามาสู่เวียงใจโยธ า, าไในน้อยใหญ่ตั้งไั่ไตยิ่งใจมีหลวงลายมากเต้าโอโหาัดนอพระเจ้าขึ้นมาต่างสมมนัสาจืนสู้โหร้องอยู่เนืองนั้น อยิบยัดกันอยู่ไกล้ตีต่างไตพันภายจ่อตุ้งลายควัดแกงควายจุแห่งกองตังเจ้าบุญขวางยดใหญ่กันไปรอดใครห่อจันก็ภายพันย้ายบาทขึ้นภาษาทหอคอมย่อมือตั้มต่างเกาไวเต้าเจ้าปาราส่วนพญาวิเตหราช เจ้าภาษาเจียงขานกอลงจากฝันลังการมาไกลกอดเจ้าไว้บตดเดียวแล้วจะเล้วตันต่อซึ่งเจ้าหนอมูนีว่าคนดับอินทีกาภาคสี่คนหากขำไปสัดไว้ไหนป่าจ้าแล้อาัยนาขึ้นหลัง บอกกึดวังใจจอตัดเสียงคอสิเนหาอุปปามานีเล่าใครบอกเล่าปันหมยคือเราตั้งหลายน้อยใหญ่ละเจ้าไว้เดียวดายแลอวพันภายรีพาาปอกสู่ดาวปาราฮืออ้โยธาน้อยใหญ่แห่งเต่าไทยจุลนีสั่งรอ ม, มีมากเต่าวังแวดเจ้าจุพาย ต้นคำใจบุญใหญ่รอดมาดใดสันใดจุงจะไขเกาอูอเฮาหูาหาตามมีนอมูนีนยอดซอยก่อตานถอยทุนสาลำดับมาแต่ตนติดสืบสนถึงปลายเฮาเต้าบุญภายยอดใหญ่หูแจง้งไขจูพักการเต้าผู้บ้านฟังแล้วใจฟ่องเพ้วนำนา มีอาญยาปงขาดเฮอามาตเตรียมใจตีกองใจเปล่าร้องไปไข่หองปาราวะกันพักจาไพราตั้งอามาตคนใน ยังมีใจฮักขอดยังเต้าหยอดตัวเราจุงเขาดันใส่นำดอกไม้ดวงบ้านหรือปัน่นาการน้อยใหญ่ตามหาใดหรือมีถ้าไวายเสนาบดีหนุม่มนาแตนตัวเราเล่สับปันและอป้ากันมวนหมูไปซุม่มอยู่ ล, ล้านหลวงเล่นปันปวงจุอย่าง ตามอันจางไผมันทุวันเจ็ดวันเป็นขนาดให้อขาดอันใดเจ้าเบี่ยงใจจูดาวหูแจ้งข่าวขี้าต่างสมานัดสาจืดยาวโหร้องเศร้าเนื่องนั้นต่างปะกันแต่งไว้ยังเขื่องใจปัรณาการ Ài, ôi, àng, ớ, ao, ตั้งดวงบ้านดอกซอยข้าวปวงห้หอยบาลจุมนางกัญญาดมเทาตั้งแม่เจ้าเฮือนหลวงคนปันปวงข้างขอบอยู่ไปนอกปาราไหลกันมารีพาวไขจูดาวสถ า, านถวายปัณญาการมักเตา้าฮือแก่เจ้าจอมควันแล้วป้ากันมวนหมู ไปซุ่มอยู่ละนหลวงเล่นปันปวงจูอย่างตามไฟอ้างไฟมันเสียงเดืองนั้นมีกองดังไขห้องราชธานีเจ็ดวันมีมาไขตามเตาาไทยปันหมยก็พันพายขึย้นสูญยังตี้อยู่ไฟมันก็มีหันแะนา กันอุ่นงันเียนแล้วเจ้าดอกแก้วบุญํำกอไข่กําบอกเหล่าแก่เต้าเจ้าวิเตหราชวากวนดังดาอยากจ้าสรงแม่เจ้าฟาจุลณี ตั้งนางเตวีน้อยนาดโอโรถราสายใจขึ้นเวียงใจตีเก่าแก่เต้าเจ้าจุลดีตามปติญญามีว่าไวอย่าฮือใดผิพันเจ้าจันวีเตหาราชก็ออนุญาตตามคำฮือนอคุณทรรบุญใหญ่ดาพร้อมไขจูอันอันนอคุณทันบุญมาก ก็แต่งของฝากปันนาการหืยโยหาหนนุ่มเท่าตั้งต้าเจ้าแดนไก่ตั้งคนไหนน้อยใหญ่หือพร้อมไฟจูคนคนเปื่อน้ำสามต่อเปื่อน้ำตนสามเต้าปิ๊งปอกดาวปาราน้างนัาตาผู้แม่ตุกงนักแก่เดือดใจ ย้อนอะไรจ้องหอยยังนางยอดซอยปัญจาละจันทีไขาวาตีต่อทอยมีบ่อน้อยไหลผากการ <c oughs> และวละนางนงคันลกเ ต, าต่าตั้งเต่าเจ้าเคยเมืองโยธาเรื่องอามาตั้งนักภาตเสนาแล้วลีลาใหญ่บาท ลุงภาษาดหอใจโยธาในลายแหล่แวดล้อมแ ห, ห่ใหญ่ใหญ่ออกเวียงใจรีพาวเพื่อปอกดาวเมืองตนนอตสะบปนบุญใหญ่ก็เฮภัยไตยโยธาบีนำนาหนุมเทาอันมาส่งเจ้าจอมควันตามเจ้าห่อจันจุลนิรา หากปงขาดเป็นไม้ก็เอเขาตั้งลายมวนหมูปอกขึ้นสู่ธานีตั้งนางตาสีข้าคอยมีสี่ร้อยเป็นทาราตั้งพาริญาหลายหลากหนึ่งรอยหากเป็นไม้อันเต้าท้า ว, าวายแก่เจ้าก็เฮปอกเต้าถอยห่นไปเมืองตนเสียงไข่บเ่เบนไว้คนใด เขามีใจจมจืนปีติตื่นดินดีไขวาตีอ่อนอ้อยลาเจ้าหยอดซอยบุญมีออกปุรีเมืองใหญ่รีบเตียวไต่พันไาย จอมูลลายมากเต้าแห่สามเจ้าบุญควางลำดับทางเตี้ยวไตนับอนันใดหลายวันจริงภายพันธ์ไปรอดเมืองแก้ญยอดอุตรปัญจาลานากรเลยนะ ส่วนนางพญาจุลนิราธั น, นางนาจาญยานางพาญาแม่เจ้าและลูกเต้าใสา่ใจอันซึกนำไปจากห้องไปตกต้องไก่ตาได้ปอกมาตั้งหมู่ถึงที่อยู่สัตสีปีตีมีบ่หน่อยจริงก่าวถอยใครจะทามันรด้แม่เท่าว่าแม่เป็นเจ้าจอมขวัญ อยู่หอจันภาษาแตงเต้าที่ราชวีเตหราชเาต้ารุมราแม่เจ้าหรือปฏิบัติเล่าสันใด้ า, างก็ใครบอกเล่าว่าเต้าเป็นเจ้าหอคำ คบแยงยำยังแม่บอเวนแวขึ้นวันนางกำนันอยู่เฝ้าเป็นดังเจ้าเตวดาส่วนนางนันตานันเล่าเต้าเป็นเจ้าปุรีปฏิบัติดีหลายแลเป็นดังแม่เดี่ยวหัวปั้นดังตัวลูกน้อยเต้ายอดซอยหอดจันก็เล่งหันดังน้องเกิดรวมต้องเดียวมา จุมเสนาบวนหมู่อันจอมอยู่หอดหนสำรานใจคำเจ้าบ่ม่นเศร้าอบอ่ผ่านเต้าผู้บ้านจุนลนีราดฟังเสียงขาดสุดปลาย มีใจภายจมื่นปีติตื่นใจบ้านรีบทรงปันนาการบักเต้าไปท้าวายเต้าเจ้าวิเตหราชาแต่นั่นมาเป็นเก้าสองเต้าเจ้าปุรี มีไม่ที่มันแก่นติดสืบแน่นสายใ่เจ้าเวียงใจสองฝ่ายบ่เยยไรเบียนกันต่างภายพันเตี่ยวต้องตามแต่จ้องใจไม้คนยิงใจไพ่ไตบ่ร้อนไมมองผ่านสุขสำราญตัวดาวตั้งสองเขตเต้าทานี้ก็มีหั่นแหลนา ส่วนนางปัญจาละจันทีนอนอยู่กับเต้าเจาวิเตหราชาสองปีมาคบข่ก็พาสุดใดบุตรมีลักคณาพาเสด งามลำเลิดเดือดลายกันตนใจขึ้นใหญ่อายุได้สิ ป, ปีเจ้าปุรีวีเตหาราชก่อก้อยกาดมาราณามีที่ลาเมืองกว้างลวดโบมีเจ้าจ้างหอคคำ นอคุณทำบุญใหญ่ก็เกิดไข่ปิจารณาแล้วอุตสาหพิเศกอติเรกมงคลยกยังตนลูกเต้าขึ้นภาพดาวปาราเป็นผาดยาแตนป่อสืบติดต่อยาวไปแล้วก็ใครบอกเล่าว่าข้าแด่เจ้าราชาข้าขอลาผากดาวไปอยู่กับเต้าจุลณี ย้อนปฏิญาณมีเป็นแก่นสืบติดแน่นติดเดิมมาเจ้าปาราต่อทอยว่าเรายัางน้อยเด็กขากันนานาหน่วยใหญ่บ่ไข่ตามมี กันต้านี้เจียนจากเราก็หากมองผ่านบ่อสำราญแต่เล่าตุกไม่เอาเผาใจกันมีไว้ขึ้นใหญ่หูแจง้งไข่จบทองนั่นก้อยป่องภาคดาวไปอยู่กับเต้าจุลนีส่วนานางปัญจาละจันทีผู้แม่ก็เกาแก่จากใครว่าขออดใจอยู่เฝ้า กับลูกเต้าสายตาจ่วยปิจารณาเก่าจีฮือหูทีตามรายกแอพันภัยผักดาวไปอยู่กับป่อเต้าภูมีหนอมุนีหยอดซอยก่อตานถอยจะใครวากันจักบอกไปบอกใดพิษริทไทยกองทาใดใครํำมั่นแก่นผูกมัดแน น, นสัญญา ธรร ม, มาดานักผาดย่อมบ่ออาจเสียกรรมเยียวเป็นกรรมอย่าปรายจักหอยใต้ติดตนจุ่มหมูคนได้รู้จักเกา่าเตียนควันจักปะกันเหล่าเศ ว, ว้าไปไข่ดาวปุรีว่ามะโหสเสนบอดีนักผาดได้ตัดขาดสัญญาคาจริงคอลาฤิพฮา ไปอยู่ดาวแดนไกลกับเจ้าหอใจจุลนิราตามถอยวาดเดิมากันไข่จ่าเวียนแล้กกอลานางแก้วปัญจาลจันทีทั้งเจ้าปุรีหนุ่มนาวอาบาดเก้าอาจารย์โยทหารน้อยใหญ่พ้อเสียงไข่นิงใจคนตั้งลายไก่ไก่หูแจงไข่ความใน ยินมองใจศกไม่ร้องรำไห้เววาย้อนสิเนหาร์คอเสียได้ยอดเสนาบอดีเจ้าบุญมียศใหญ่หนอปฏิไวตะสะปน กอป่าปารีวัานตนมวลมากออกไปจากเวียงใจลำดับไปจ้าใจตามตั้งไตพันภัยบ่เมื่อนไหลก็รอดเมืองเก้ยวยอดอุตรปัญจาละนคร ตาโอภูทรจุลนิราภูแจ้งขวาดกิญาว่ามโหสดมารอดบ่ลก็ไปรับตอนเร็วปันน้ำนอกคุณทันรีพาวเข้าสู่ดาวรงกัน ตกรางวัลบ่อน้อยแก่เจ้ายอดซอยบุญมีปันเฮือนดีหลังใหญ่ที่จิมไก่ผังกาเฮือนนอพุท ธ, ธาได้อยู่กับตังหมู่ปริวานอาลังการน้อยใหญ่เต้าบอดด่อใดตกปันเต้าตกรางวัลแก่เจ้าตามรีดเก่าเดิมมากับบ้านน า, นานาลายหลากแปดสิบบ้านหากเป็นไม้ อันต้าท้าวายแก่เจ้าแต่ก่อนเก่าหลายปีของกวนดีใจใจก็บอกได้ตกปั่นแก่นอคุณทันหนุ่มเดาวหิอมากกว่าเก่าสันได้เจ้าใสา่ใจน้อยนาดบอกไม่มาดเครื่องกาย่อมไปรุมร้าอยู่เฝ้าอปุปถาต้าวเจ้าตั้งวันก็มีหั น, นแหลนะา ตาตาเฟรีนามปริพาจิกาในกาลนั้นเล่ายังมีนางแม่เล่าจือเฟรีได้ลาหนีลาภาคออกไปจากเกหาเป็นปริพาจิกานักบวชบวชแล้วลวดต่้เป็นธรรมพญานำอง์อาจหูชาลาดนำนาเตียนย่อมมาฉันเจ้า ในผาสาเจ้าตั้งวันดังบ่อเกยหันต่อนายังเจ้านอลาบุญมีเต่าฟังวาตีเข่าใดยินหูถึงหูว่เจ้าบุญจูน้อยหนาจบฉะลาดเหลือคนส่วนนอตาสะปนบุญใหญ่ก็บ่อเกยใดเล้งหันฟังเข่าปันเก่า เต้าได้หูขี่ยาว่านนงปริปาจิกานั่นใสจบแจงไข่นำนาเตียนย่อมมาฉันเข้าในภาษาเต้าเจ้าตั้งวันต่างบอกเกยหันต่อตาบ่อได้ต่อตาวาตีส่วนนางนั้นตาเทวีนยอดใหญ่นิ้นโขดรไม่เครื่องกาว่ามห่หสถนี่นาเป็นเกา เือหลวงเต้าสายใจไปอยู่ไกลต่างห้องคงเขตต้องบีทีลาหฮือกูนี่นาผ่าข้างจากเจ้าจังผู้มีมันบ่ดีแต่ใส่กวนขะนิ่งใสอุบายหฮือเต้าบุญภายโคตรกาไหลามันหฮือนีกว่าไปไกลกันขะนิ่งในเมียนขาด นางน้อยนาดนันตาก็ฮือนางกัญญาบ่อน้อยมีหาร้อยเป็นไมายฮือคงควายหาตดอันไร้โหดตานแห่งหนอตาสาป น, นุ่มดาเปื่อไปเหล่าทุนสาฮือผาญโคตรหม่แล้วขับไล่มันนีจุมนารีมวนหมูฟังนางอูไข่ปัน ก็ปากันลีซอนอยู่ตามบนต่างไปตามคันใดภาษาตวในห้องราดตรงกันยังมีวันหนึ่งเล่านางแม่เทาปริพาจิกา ฉันพ่อจานาหลายสิ่งราสยญ่งหลายอันแล้วภายพันก่าภาคลงจากภาษาผังกาส่วนนอพุท ธ, ธาบญใหญ่ก็เตี้ยวไต่พันภายเพื่อไปท้าวายกรมเกาเ่าเฝ้าเต้าเจ้าปาราหันนางมาตีไกก็ยอมือไว้อันจุลีบอกไขว่าตีก้าอูเต่ายืนอยู่กองตา นางปริปาจิกาสันพอกแจ้งต่อในใจว่าบ่ใจภัยแต่เล่าแม่นเป็นมะโหสดเจ้าเสนาบดีคนไขววาติก่าอูว่ามันจาลาทู่นำนากวนตั้งปัญหาฮือพ่อจักเยียต่อสันได้จริงแบ้มือไปบ่จ้าฮือหันต่อนาเร็วไว เป็นความน้นถามพอว่าตนเจ้าหนอบุญเรื่องนี้จากเมืองตัวเก่ามาอยู่ฝเฝ้าเต้าจุลานีเจ้าปุรีที่ราดใดวางขาตกปัน ยังรางวัลมากเต้าหรือเต้าเก่าเดิมมาหนอพุทธานยศใหญ่ก่อได้เรียวไว้กำมือไปฮือพ่อเพื่อตอบข้อปัญหาว่าเจ้าปาราธิราชบอได้วางขาดตกปันยังรางวัลมากเต้าฮือเต้าเก่าเดิมมานางปริปาจิกาผู้เทา หัวใจเจ้าหนอตาสะปนเอามือลูกหัวตนเือพอเป็นเหมือนขอปัญหาว่าเมื่อราชาเจ้าจ้างบอกไฟอังภานีก <c oughs> วนจักหนีออกบวชสรา้างพระนวดเป็นสรรมเจ้าอุดมภูชฉลาดก่อวขวาดความในจริงเร็วไวลูกตอง เพื่อตอบท้องปัญหาว่าขามีบุตรตาลวกเตาเมียหนุ่มเน่าเตรียมใจตั้งคนไหนหมววนมูอาใส่อยู่หลวงลายพงคงควายเลี้ยงใส่จิงบวชบ่ได้ดีด แล้วต่างก็นีเจียนจากเื้อลาภาคเสียกันนอคุณท่านหนุ่มเนาไปอุปถากเจ้าปารานางปริปาติกาลาภาคออกไปจากเพียงใจ ส่วนห้างใ้แก่นใจแห่งนางนาทานันตาอยู่ผังกาสั้นสองตัดนาปองไปบนหันยังคนตั้งคู่จุกยืนอยู่จอมกันขาเล่งหันเสียงไข่จำจื่อไว้จูภาการกันดอกโพธิญาณกาผ่าลงไปจากขอใจก่ อ, อเรียวไว้ไปไหว ซึ่งเต่าไทยหอคำแลำ้วไข่ํำสนสอ ส, ส, สืบติดต่อยาวไปว่ามโหสถดอย่างไรบาปเศร้ากับแม่เทาปริปาจิกาสองคนนี้นะ่าใจห ย, ยาบจักขาดาบเอาเมืองฟันเต่าบุญเรื่องที่ราดเือก้อยกาดดับคันจุม่มเขามันตั้งกูอูกักนอยู่ลานหลวง ข้าปันปวงลี่ซ่อนอยู่ในบน่นผางก้าหันกับตาแจ้งทีบอมิติสงสัยนางแบะมือไปต่อหน้าว่าสั่งบอกข้าพญญาเอาปารานิไว้หืออยู่ใต้มือตนตั้งรีปนอามาตั้งไพราษภาจ้าหือเข้ามาก้มเก่าน้อมใบเจ้าขิงราม ดังสะดำใหญ่กว้างต่อบอกข้างแดนได้ใจจังไรถอยไรหูแจ้งไข่ซับฟันก็กำมือมันมันแก่นจีบอกเน่นกียาว่าข้าพงด่าคำดาเพื่อรบภาพแต่งฟันยังเต้าหอดจหยอดซอยเฮกาดก้อยมารนา นางปริปาจิกาผู้เทาลูกหัวเล่าสับปันว่าสั่งบอกฟันขอเล่าเือเต้าเจ้าหอใจได้ตายไปไว้ว่องมันก็ลูกต้องไปมาเป็นสัญญาที่สองว่าจักฟันตัดต้องกลางตัวขอเจ้าเนือหัวที่ราดยาพามาดและสา้อนสองขานั่นใส ใจถอยไรดีลีเจ้าปูรีอยอดซอยใดยินถอยมุสาอันนางกัญญาบวนหมู่ใดเกา่จาจกไขรพอค่านิ่งในดันสอดขึ้นใจรอดไปมาว่ามโหสถนีนาะองอาจจบชาลาดเดือลายบ่อหอนใหม่คึ้คา คือกูความนาเป็นผีกวนไรวาตีทําเล่ายัางนางแม่เจ้าปริพาจิกานางเตี้ยงจากเกาจีเฮแจง้งขีตามรายถึงยามเงยวันผูกกาละถูกเตงตังนด่างก่อภายพันย้ายบาทขึ้นภาษาตียงข้านฉันอาหารเบี่ยนแล้ว เต้าตนแก้วจุวลนีก็ไขว่าตีทำเลว่ า, วานาังแม่เจ้าปริพาจิกานังได้จ่าโอกาสกับมโหสุนักพาสังจา่า <c oughs> เคยหันมาแต่ก่อนหรือบ่าหันเคยหันนางก็ไขปันบอกเล่าว่าดุราเต้าเจ้าปราคาบ่ได้จ่าโอกาส กบหัวสดนักผาดดีลีแต่เดิมตีเมื่อก่อนก็บรอนเคยหั่น้นไข่ปั่นเก่าว่ามันฉลาดรู้นำนาในวันวานนี่ใสาขาป้าไก่กลางสานามจักลองทำ ม, มันพอว่าผาญาหมอสันได้จริงแแ้มือไปบอปากเป็นเก้าหากปัญหา ว่าตานมาอยู่ไกลกับเต่าไทยจุลานียศสักมีดังเก่าหรือบากตาเต่าเรือลายมันก็หม่หูได้กำ ม, มือไว้เร็วไวแต่กำไขต่ตานกล่าวว่ามาอยู่กับเต่าภูมิบอได้ดีมากเตา่ายังเต่าเก่าเดิมมาเหตุพญาธิราชบอกปงขาดสัปปการ ข้าจะนานหูไข่เนี่ยบ่อใดดังใจข้าเรียวไว้ทําเล่ารูปหัวตัวเก่าไปมาเป็นปัญหาฮึหู <c oughs> ว่าเมื่อเจ้าโยปุริยศักมีเต้าเก่าอยู่ปังเป่าได้ได้กวนพันภายออกบวชสร้างพระดวดเป็นจีพญามันดีไว้ว่อง เอามือลูกต้องเป็นายว่ามีปรีวันลายมากเต้าตั้งลูกเต้าเมียแป้งเขามาแฝงอยู่ใกลเลี้ยงขับใส่อินทีต้นข้านีไปบวชสร้างพระนวดเป็นสรมความขี้ขมบ่อน้อยจักจงหอยตัวมาต่างบ่อจ่าออกปาก ใจข้าหากถามมันมันหูปันแจ้งที่ใจมันจีตามีแล้วต่างนี้ซึ้นสู่ยังที่อยู่ภมันเจ้าหอจันจุลนิราชซ้ำโอกาสใครจาว่ามโหสดมีพระญามากวางหรือเข่าอ้างได้ได้นางก็ถท้าวไว้บอกเรา วาดูราเจ้าปารามันมีพระญาชาลาภัยบ่ออาเตรียมตั้นใดตัวมันมาไว้เป็นหลบับใหญ่ดีลีใ <c oughs> นป่าทาวีโลกใต้หาบ่อใดพอสองคนจบทองบักเต้าบ่อเต้ามะโหสดเจ้าคนเดียวกันจ่าเลี้ยวเิีนจอด กลาต้าหยดจุลนีออกปูรีไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนนอตะสะป้นผู้ชาลาดก็ขึ้นภาษาตวพศมาเต้าก็จะทำเราดังธรรมแม่เจ้าปริปาจิกาเจ้ากอทุนสาขับไ่บอกเต้าไทยหอคำสมดังกรมบอกเรา แห่งนางแม่เทาปริปาจิกาเจ้าปาราฟังแล้วใจองแผ้วนำนาจิงมีอาถยาป่งขาดให้เจ้าน้อยนาจบุญมีเป็นเสนาบดียศใหญ่กำเต้าไทยผู้บ้านตั้งอลังการลายสิ่งของการหญิงนาณาตั้งคำขาลายมืน่น เต้านยกยืนยอปันเป็นรางวันมากเต้ายิ่งกว่าเก่าเดบ ม, มาหนพุทธบุญใหญ่ค า, านิ่งไขในใจว่าเจ้าหอใจที่รากใดวางขาดปันหมยยังรางวันลายบ่อน้อยด้วยใจจื่นจ้อยยินดีหรือใจบ่ดีไร้โหดจังกะตำโตไปลูุน จุมหมูขุนนมเท่าอาบาดเก้าคนในบ่มีไผแต่ใสจักหูไข่ขีญาวเว่นนางปริปาจิก่าผู้เท่าเตียงหูเก้าความในควรเราไปถามข่าวขอนางก่าตามมีนอกมูนีบุญใหญ่ก็ถือถูกไตดวงบ้านจากสถานที่อยู่ออกไปสู่อาสรม แห่งนางอุดมผู้เทาคือนางแม่เทาปริภาจิกาแล้วปูจ่จานอมใบด้วยดอกไม้ดวงดีไขาวาติทำเลว า, าค่าแด่แม่เจ้าปริปาจิกาอันว่าพาญาเจ้าฟ้าหือยศแก่ข้านำนาย่อนปีญารักขอดดังลูกหยอดคำใจ คือมีอุบายอันไร้จักห้อยใต้ตัวมาขอปิจารณาสั้นส่องหื้อแม่นจ่องกองทำและออกให้กำก่าวคือข้าหูตามีแดดเตอก็มีวันนั้นแลยนะ เนีิตังขี้าสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุมโหสถผูกสาวหาจักจากกว่ายาวไปอิทเหลือใจบ่้นยพ่องก่อมอยิงสาวตังลกเขาเป็นเตือ พ่องก็เหือล่ลำไหรลจริงจะครเตาอีเตานีวาดวางลงก่อบังกมสมเรตเสร็จแล้วเตานี่ก่อนแลว